แต่สมาธิที่จิตว่างลงพอจิตมีความมั่นคงนิดหน่อยก็เกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมายงกระตามผู้จนกระทั่งดำเนินไปตามคันรองของสมาธิแบบนี้ไปถึงถีติภูตัสมาธิอันนี้เรียกว่าลักคนูปนิชฐาน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 ถ้ากว่าจิตของเรายังไม่มีพลังเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดกลายเป็นความว่างปล่อยให้ว่างอยู่อย่างนั้นธรรมาติท้องจิตจะว่างอยู่ได้นานๆไม่ได้ปรเดี๋ยวมันก็เกิดความคิดขึ้นมาเราเกิด ค, ความคิดเรากำหนดติรู้ว่าง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 อย่าไปลำคาญความคิดเมื่อเขาคิดได้เองอปล่อยให้เขาคิดไปแต่เรากำหนดสติตามรู้ไปทุกระยะระยะจนกว่ามันจะไปถึงจุดที่เรียกว่าสีติภูตังดังที่กล่าวแล้วอันนี้คือทางเป็นไปของจิตในเมื่อเกิดสมาธิมาแล้ว มันจะแยกไปทางสายอารมณ์โมกติฐานติดว่างไปเฉยๆแล้วก็แยกไปในสายรักโณูปนิธานจิตสงบแล้วเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาความรู้ความคิดอันนั้นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วใจจิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งในขั้นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ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 ทางหนึ่งจิตอาจจะจับลมหายใจวิ่งตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกายซึ่งในตอนแรกๆเขาจะวิ่งออกวิ่งเข้าตามจังหวะ ก, การหายใจปล่อยแล้วเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาทีนี้ถ้าว่าจิตยังไม่วิ่งเข้ามาในกาย กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวหนักๆเข้าลมหายใจจะแผ่วลงแผ่วลงแผ่วล ง, ลลงเหมือนกับจะหยุดหายใจตรงนี้ต้องประคับประคองจิตให้ดีอย่าเอะใจและตกใจถ้าเราไม่เกิดเอะใจตกใจสมาธิของเราจะยั่งอยู่ได้นานถ้าลมหายใจหายขาดไปปับ๊บ ร่างกายก็หายยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสบายดูดวงเดียวเท่านั้นถ้าหากว่จิตไม่เป็นเช่นนั้นถ้าตามลมหายใจไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเจตจะมองเห็นอวัยวะภายในภายในกายของเราเองนี่ครอบถ้นอาการสามสิบสอง เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฟ้ามหัวใจกับปอดทั้งผืดนไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าทั่วหมดภายในร่างกายจนกระทั่งติดสงบละเอียดละเอียดลงไปจนกระทั่งกายหายยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสบายอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้น แล้วบางทีอาจจะย้อนมามองดูกายเห็นร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเหลือยังเหลือจะจิดตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จิตจะพึงเป็นไปอีกทางสุดท้ายจิตไม่สนใจกับเรื่องอะไร พอสงบแล้วก็มาจี้รู้ดูที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นบางครั้งก็เห็นจิตนิ่งอยู่เฉยๆแต่บางครั้งจะมองเห็นอารมณ์ละเอียดปรากฏขึ้นเกิดขึน้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรียกว่ารู้เห็นความเกิดดับนั่นเองแล้วจิตก็จะกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติ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 ส่วนที่เป็นดินน้ำลมไฟก็จะไปตามสภาพเดิมของเขาเพราะว่าร่างกายนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟภายนอกนั่นเองเมื่อมันแตกลับลงไปแล้วมันก็จะสลายตัวไปสู่สภาพเดิมของมันส่วนที่แท่นแข็งผมขนเล็บเป็นต้นมันก็ละลายไปเป็นดิน ส่วนที่เป็นน้าเหลวๆซึ่งมีอยู่ในกายมันก็เป็นไปมันก็ไปเป็นน้าส่วนลมหายใจมันก็ไปกลับลมในอากาศทีนี้ส่วนที่เป็นไฟคือความอบอุ่นที่มีอยู่ในกายมันก็ไปกลับไฟคืนไปหาดวงอาทิตย์ตามเดิ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 แต่มันก็เป็นแต่เพียงความสงบแต่บางทีเราอาจจะน้อมไปดูโน่นดูนี่มันก็สามารถที่จะเห็นได้แต่สัญญาเจตนามันยังไม่หายขาดไปก็แสดงว่าสมาธิมันเกิดเพราะการกรุงแต่งเกิดเพราะการฝึกให้คล่องตัวํำนิจํำนานเราอยากจะให้มันหยุดเมื่อไหร่นิ่งเมื่อไหร่ก็ได้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 พอฝึกไปฝึกมาสมาธิซึ่งเป็นเองตามธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นมาเองสมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาตินั้นสัญญาเจตนาที่จะไปควบคุมจิตมันหายหมดพอหลังจากนั้นจิตมันจะไปแบบไหนจะไปสายสมถะสายวิปัสสนาเขาก็จะเป็นเองโดยอัตโนมัติ ถ้าจะไปสายสมถะก็สงบนิ่งว่างว่างไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายถ้าจะไปสายวิปัสสนามันก็เกิดความรู้ความคิดเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะก็คอยกำหนดตามรู้เองโดยอัตโนมัติจนกว่าจะไปถึงจุดซึ่งเรียกว่าถิติภูตักเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติ เพิ่งทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งรละลึกจากเป็นอะไรก็ได้นักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษาถ้าตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิพิจรารณาธรรม ก็ให้ยกเอาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาในท่านของเรานั่นไปมาเป็นอารมณ์พิจารณาเราเรียนมาทางวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ลัฐธศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็ตามอย่างวันนี้ไปโรงเรียนมาอาจารย์สอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พัก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 เพราะว่าคำว่าสภาวธรรมหมายถึงกายกับใจของเราสิ่งที่เราสามารถรับรู้โดยตาหูจมูกลล่นกายและใจรวมทั้งธุรกิจการงานอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันการศึกษาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาตามชั้นนั้นๆ น, นอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งรู้ของจิต เป็นถิ่งและลึกของสติถ้าเราดำเนินการปฏิบัติดังที่กล่าวนี้สมาธิกับงานของเรามันจะมีความสัมพันธ์กันแล้วเราจะรู้สึกว่าโอกาสที่เราปฏิบัติสมาธิมันจะไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะว่าเราเอาทุกถิ่งทุกอย่างเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาได้ เช่นอย่างเวลานักศึกษาจะปฏิบัติสมาธิในห้องเรียนพออาจารย์มาเยืนหน้าห้องเรามองจติตเจ้าลงไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตายและจิตไปอื่นจ้องอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะจบชั่วโมงสอนจนกว่าจะจบชั่วโมงเรียน ทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้สมาธิในการถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันจริงๆในเมื่อได้สมาธิอย่างเข้มแข็งเวลาไปสอบผ่านคาถามจบจิตมันจะว่างลงนิดหนึ่งคำตอบจะผุดขึ้นมาเราจะเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องคิดอะไรมาก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 เราจะได้พลังของสมาธิมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งทำให้เราเรียนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นอันนี้คือผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้คนเราทุกคนมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอานาจอยู่ในตัวกันทุกคนแต่ฤทธิ์อิทธิพลอำนาจอันนั้นมันจมอยู่ในจิตใต้สำนึก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 แล้วก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอันนี้แสดงว่าจิตใต้สำนึกของเรามาตื่นขึ้นมาแล้วเล็ดอิทธิพลและอำนาจที่มันจมอยู่ในจิตใต้สำนึกมันก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกันซึ่งเราสามารถที่จะน้อมไปใช้ในธุรกิจการงานในเรื่องชีวิตประจำวันของเราได้ และร้องตาก็รบควนเวลาของพวกเธอมาพอสมควรจึงในท้ายที่สุดนี้ขอบา ร, รมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงคุ้มครองครัวอาจารย์ในนักศึกษาทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจและให้สาเร็จสิ่งที่ตนพึงปรารถนามาปฏิบัติสมาธิก็ให้ได้สมาธิ ให้ได้สติสัมปชัญญะเกิดปัญญารู้แจ้งเหินจริงในธรรมะตามความเป็นจริงณบัดนี้หลวงตาจะปลุกเสษให้พวกเธอทั้งหลายมีสมาธิมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจมีหัวคิดสติปัญญาเกลียวฉลาด มีความทรงจำดีมีปัญญาดีวิเศษเกิดมากขึ้นทุกวินาทีขอจบบรรยายเพียงแท่นี้